เหมือนกับถ้าพูดถว่าเป็นกิจจาเป็นก็เป็นความจําเป็นของของมันดูดทั้งวันอยู่นั่นนะจิตมันดูดมันดึงอยู่เพราะฉะั้นเวลาถ้าไปญาตินี่บางองค์มี่ใส่ไม่ดีก็เหมือนโลกเหมือนคนทั่วไปทำนิจิเตียนพระกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันเราก็เต้กันใหญ่เลยผมเออว่าผมเป็นนักเรียนผมรักกรรมฐานแล้วก็ รักธรรมรักอยู่ไหนด้วยนี่เลงตามหลักธรรมหลักที่ไหนพูดอย่างงั้นมันเป็นการทําลายทำทําลายยี่ไหนที่ผู้ทำหนีกิเลสภาคกรรมฐานเป็นการทำหนีกิเกีย์ไม่ทําลายหลักธรรมมาที่ไหนโวดได้เลยก็โตตาดำตาแดงแล้วผมอดินเหนียวดิดหัวแต่ว่าตัวมีหอนแล้วยก็ใส่อย um, <im Alto> ่างนั้นนะหลักเกณฑ์เป็นมายังไงกรรมฐานมาจากไหน เรียนไปทําไมเราเรียนด้วยกันทุกคนไม่เห็นหรือแบบจะวับไปยังไงคำพูดเหล่านี้ประปายเติมเตือนเอามาจากไหนมาพูดอย่างนี้หนักใส่กันเปีียงเลยนะยาแปรหาดูถูกดูเห็นไหมที่มันการเป็นความถูกต้องของท่านแล้วหนักไอ้เรื่องพระกรรานพระองค์ไม่ดีดีเรายกห้เพราะนี่ท่านเราไม่ดีเท่าไหร่มันก็ยังมีเห็นไหมพระกรรมฐานคนในกิเลสเหมือนกันก็อาจมีแต่ว่าจะประําหนีด่าไปหมดอย่างนี้ไม่เห็นด้วยถูกเพรีว่างนี่เไรคุณ บางทอว่าน่าเสียไปเลยนะเพราะเรานึ่ว่าใครไม่ดีออย่อหย่อนใครเพราะว่าตามเหตุตามผลความถูกต้องไม่ดีว่าโดยเพียงความรักสงวนทางทางวิบาริเฉยความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออก ใจเป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสม อ, อยาได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นเป็นศาสดาของพวกเราก็ดีพระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้ พอมองเห็นร่องเห็นรอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีถ้าสงท่านที่เป็นสรณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามสถานะนี้ เพพาะพระโธเจ้กและสาวกท่านดำเนินหรือเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเป็นการเคลื่อนไหวและการดำเนินเพื่อเหยียบย่ำทำลายกิเลสไม่ว่าประเภทใดๆอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถพระธรรมที่ปรากฏขึ้นมา เราตั้งหลายได้กราบหว้หรือโลกได้กราบไาหว้เวลานี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคลุมหุ่มหอ่อตั้งหลายออกทำจึงในปรากฏเด่นขึ้นมาในพระไถยของพระพุทธทเจา้าพึงคาหนึ่งเสม อ, อยาตมีความชินชา ต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตนเพราะกิเลสไม่เคยชิงชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสซึ่งว้นแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มหอ่อจิตใจด้วยความไม่มีชิงชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสีย ให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีตลอดกับไหนกันใดก็ากาตามต้องเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปถ้าไม่มีสิ่งไปชำระชาสางหรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความ เบือ่อนายอิ่มพอในตัวเองและสิ่งที่ตนอาศัยอยู่เช่นใจของสัตว์โลกจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไป้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขาดต่อหลักธรรมซึง เป็นเรื่องขัดเกลาหรือชำนะกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลายที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึ่งทำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัว และสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายุรับอายุรนภายนอกอยู่เสม อ, อยาทําความคินชายาตามความอิจนาละอาใจต่อการแก้ไขถอดถอนการชำระศาสนาการระมัดระวังตนเพราะสิ่งที่กล่าวม า, า, วมาเหล่านี้มันเป็นสมบัติเดิมของพิเรศทั้งนั้น ไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนําไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้แนหนาแน่นขึ้นภายใน จ, จิตใจเพราะความเพอะแท้อ่อนแอเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวช และได้ก้าวออกอยู่ทางด้านปฏิบัติจึงเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันค่าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ลบสงครามขณะที่เรา ไม่ได้ลบสงครามนั้นสงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้ชิดยิ่งขนาดที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวังมีการแก้ไขถอดถอนกับฆ่าศึกศัตรูได้แก่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสทั้งหลายเรื่องอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านปิตใจและ ส่งออกตามอายตะนะภายในสวยตะนะภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนวนแล้วแต่เป็นหน้าที่การงานแห่งการกว้านพิเรกกว้านฝืนกว้านไฟเข้ามาเผาหลุนใจิตใจของเราโดยไม่ชะทกสถท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีเครื่องคัดค้านต้านทานกัน เนื่องจากเรานอนใจเสียจนเกินตัวเข้าใจว่าเวลานี้ไม่ลดสงครามก็เป็นเวลาที่สงบความจริงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้กันนั่นแหละเป็นเวลาทีส่สงครามมันกำเริบมากคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอบท้าไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้น สะเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสยียใจมากๆร่างกายย่มสู้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนี่ยินไม่ได้นอนไม่หลัเนี่ยคือสงอ า, อาคาศุกศัตรูมันกำเริบเพราะไม่มีทางต่อสู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องการต่อสู้กันว่าเป็นอย่างไรเลยแตนนี้เรารู้ พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วแบบแผนการดําเนินของพระพุทธเจ้านั้นด้วนแล้วแต่เป็นการดําเนินปราบกิเลสให้ราบไปทั้งหมวลสาวกท่านที่ดําเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดําเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเอ็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามกิเลสให้เรียบราบไปหมด ทั้งนั้นจงนำวิธีการนิปฏิปทาของท่านมาดำเนินให้เข้าใกล้ชิดสนิทติดแนบกับใจของเรายาได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธิด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติสตางคานมัตตะวางต่อสู้ฆ่าศัตรูซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจและมาจากภายนอกเพราะสื่อภายในไปเกี่ยวข้องติดต่อกันมา จึงต้องได้ใช้ความนมัดระวังเสมอจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับแม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจาไม่ใช่จะมีแต่คนงูเขาเบาปัญญาถ่ายเดียวคนเฉเียวฉลาดปาดเปืองมีอยู่เยอะในเรือนจานั้น นักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉลาดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉลาดเหล่านั้นก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทําไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็าตามก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ ของสิ่งนั้นบ่งการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบงการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บงการแล้วก็รู้ไม่ได้ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็าตามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอจะส่งแสงสว่างกระจ่างแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะ ถูกครอบอยู่ด้วยแก้ครอบอันดำทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลส ต, ตัวดำตัวมืดดำกับตาทั้งหลายยังแสดงออกได้ในความรู้อันเป็นทางของกิเลสเปิดให้ทําหน้าที่ของมันเพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้นความรู้จะมีมากน้อยเพียงไรอยู่ภายในใจ ก็แสดงออกให้เป็นความแยบคายอะไรไม่ได้จิงรู้ไปแบบงูปล า, ป ร, ารู้แบบสามันชนรู้แบบคนมีกิเลสแต่มีความฉลาดแ้มคมหรือเรียนวิชาการได้สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบงังอยู่ในการบีบบังคับของความมดืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่ง มืดดำเหล่านี้อสอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปเป็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งย้อนมองกลับพื้นมาเห็นความมืดดำของสิ่งที่ครอบงำจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคำว่าความรู้อยู่ในวัตตจักความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละไม่มีอะไรจะแยบคายิ่งกว่า ความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหรือครอบงาไว้เมืม่ อ, อยาจะทราบให้ดำเนินตามหลักทาอันเป็นเครื่องทําลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาเราจะทราบได้ภายในตัวของเราเองหาเบื้องต้นรู้ซ่านออกไปไหน ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความร้างความฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของกิเลสถุดกไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลส จ, จับจองมั้หมดกิเลสบงการ้งหมดทีนี้บางคาบอิจไม่ให้ออกรู้แบบนั้นนั่นให้รู้แบบทำที่ท่านสอนเรื่องบทภาวนาจากบริกรรมภาวนาก็ตาม กําหนดทำบทใดก็าตามให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบงการหรือบีบบังคับของกิเลสให้รู้ให้สัมผัสสัมพันธ์ผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยไถ่เดีย ว, ยายยวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลย ทมจึงยอกย้อนจึงสวนทางกันกันกบความรู้ของจิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อนมาให้รู้กับจินทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งอาให้บริกรรมภาวนาท่านที่ท่านเรียกว่าสมถะภาวนาทํามทได้ที่จะเป็นเครื่องกากับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวออมีอารมณ์อันเดียวกับทำหมดนั้น ให้บังคับกิจดูกับทำกับอารมณ์แห่งธรรมบทนั้นนัน้ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับกิตไม่สายแสออกไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมาของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ทำแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมา ความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสแผ็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นหน้าอย่างชาัดเจนนี่ท่านชอนให้กำจับสิ่งที่ปิดบังหุ้มหอ่อ เพราะความพุ่งสร้างลำคานเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายให้เข้าสู่ความรู้อันเดียวคือธรรมเพราะธรรมไม่เป็นข่าสุดอาศัยธรรมบทนั้นภาวนาอยู่โดยลำดับลาดาใจเมื่อได้ยึดธรรมเป็นหลักย่อมมีความทรงตัวได้ย่อมกลายมาเป็นตัวของตัวได้ตามขั้นของจิตตามขั้นของธรรม มือใจมีความสงบใจย่อมเย็นใจย่อมสบายใจย่อมมีความสว่างสวายภายในตัวนี่เป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติของธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราพยายามอบรมจนกระทั่งจิตมีความสงบมากละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาละเอียดละออกขึ้นมา ท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิทีแรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขัน้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเรียกวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความปิ่น้ทั้งหมดให้รู้เล็กรู้น้อยรู้ แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับคือว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่ที่เหลวทั้งหลายซึ่งปิดกบาบังจิตใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไปจิต ใ, ใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมทีนี้ความรู้ที่ เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยทําเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยทําเป็นเครื่องกําจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอริตณะภายในของตนแล้วแยกสภาวะธรรมที่เป็นส่วนภายนอก เทียบเทียงกันทั้นาทุกสัตว์ทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามนแขนงต่างๆแห่งสภาวธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจริงทั้งหลายเหล่านั้นนี่หละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในอี่ เคยกดเคยถวงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นจิตหรือความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปและเยียดเข้าไปโดยลำดับสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทำไมจึงไม่เคยรู้ก็รู้ ก็เพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังหุ่มหอ่อใจดวงนี้ไว้ไม่ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงจึงเหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งจำปลอมปกคลุมหอ่อห่อกิจใจอยู่โดยไถ่เดียวเมื่อทำคือปัญญาทำรรได้สอดแทรกเข้าตรงไหนเรพยายามจะสวา่างกระจ่างแจ้งเข้าไปทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริง ทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นดังนั้นอย่าง น, น, างนี้อันเป็นเรื่องจำปอมก็ถอดถอนความสำคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่ที่ว่าสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ส่วนยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทาให้รู้รู้ไปโดยลำดับ จนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคุมมีหลายมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสำคัญความติดในวัตถุห ย, ยาบหยาเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นกินเลสประเภทหยาบปกคลุมจิตใ จ, จเมื่อเปิดสิ่งทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วสิ่งที่ปิดบังในท้ำกลางก็คือขันสี่ปกเวทนาทั ญ, ญาสังขานวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งปิดบังแต่และอย่างละอย่างทั้งนั้นต่างกันแต่ความหยาบละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมา ซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนอย่แงปล่อยวางสลัดปัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แก่ใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถึงมั่นจิตเยี่ยงสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะ สิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่ ว, วัตถุยากมีรูปกายเป็นต้นส่วนปันกลางมีพวกเวทนาชัญญาฉังขานยินยางเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้และเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคุมมุมหอจิตอย่างละเอียด ปัญญาก็ละเอียดสุดกรรจัดกันออกได้โดยสิ้นเชิงได้แะเชื้อแห่งพบแห่งชาติาวิชาปัตยาสร้างข้าราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกันกบการปราบที่เลย ที่ปกคุมหุ่มห่ออย่างละเอียดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งหุ่มหอ่ออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างหยาบอย่างกลาง อันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้วความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่นหะที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบงังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังคับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่ว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมติทั้งหลายแล้ว จึงเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัดของรมไม่มีอัดไม่มีอัน้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นอย่างละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกขนไม่ว่าสภาพหยาบ ก, กลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสินใดมากีด ก, กันนี่ความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ ท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวรัตสูตรก็ว่ายานญานังอุดรปานนั้นไม่เพียงแต่ใจเท่านั้นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคุมมอหรอนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุดรปานี้ก็ให้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นภานในใจดวงนั้นแหละวิชาอุดปาดีก็ปรากฏขึ้นในใจ่างนั้น อาโลกูตปาดิกเ็เลยปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งอันเดียวกันเวิ้งว้างไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขตเพราะคำว่าขอบว่าเขตนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดจะเรียกว่าอาวกาศของจิตเทียบกับอวกาศของโลกก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูด รูปก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มีตาหูจมูกจีนกายใจของเรานี่ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยกันแต่ไม่มีสิ่งใดมามาดึงดูดจิตใจนี้มากดขี่บังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายในจิตใจที่จะให้ดูดดึงตัดสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาท หมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์แต่นั้นไม่ติดไม่พันไม่อัดไม่อัน้นไม่ตีบไม่ตันไม่มีอะไรมาบังคับบัญนาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมุติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตเพื่อจิต ที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆัดไม่มีอะไรมาปิดมากีดมากั้นมากั น, กนเป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบประเป็นโลกทั้งสองก็อย่ว่าคนละโลก ถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าความรู้ของโลกคําวิบัติออคํามรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตธรรมเทียบกันได้เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสดวกีกันตัวปกคุมหุ้ม ห, อห่ อ, ใ, อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจํา ออกได้โดยสิ่งเชิงแล้วทำลายหมดตลอดอตลอดเรือนจำสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือเรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมยในเรือนจาก็ทำลายทำลายหมดมนี่ท่านกล่าวไว้ใน <c oughs> น, นี่เป็นพุทธบาราสิทธ พระพุทธเจ้าทรงอุทานใชเ่อเองว่าอเนกชาติสั้งซารางังสั้นทาวิสั้งอนิพิสัง้งนาคาลังกเวสัน้นโตลุก้าชาติปุณปุนังนาคาละกัดิทโทสิปุณะเยหังนาคาหาสัสิสัเบเตาสุกาภะานาคตังวิสังตัง มีสร้างฆ่ารักตังกิจตังตันห้านนางขยมัตฉกานี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงพูดเย้ยพระอาจะพูดแบบโลกๆพูดเย้ยพูดถาเจ้าทิเดตันหาอาวิชชาโดยใจความย่ยอๆก็ว่าเมื่องานความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบ ข้าศึกศัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจำต้องเจาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปในสังสราสงสราวัตรนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกชาไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้ เราก็ส่องแสงหานายช่างเรือนคือเจ้าตันหาหรือเป็นไปตามนายช่างเรือนคือตันหาหนึ่งอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดและตายแต่แล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหากรองทุกข์ทั้งหมวลอันวัดหนุกฆ่าชาติปุณณพูนังการเกิดแต่ละครั้งลครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลบุณณพูนัง บ่อยๆบ่อยๆนั่นแหละคือการเกิดเกิดบ่อยเท่าไรก็ทุกบ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกเป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกมานำปีทุก ข, ขังสุดท้ายเป็นทุกนบันนี้เราได้ดูก่อนในช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตัณหาปุงไงบันนี้เราได้เห็น ตัวเจ้าเสร็จแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือพบชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วซี่โครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั่นเราไดออ้อันเป็นฝาเรือนของท่านได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอด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 ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทาบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าจั ง, จ, งจังเท่านั้นและทำลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได้อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการยอะเยอะอ้ยกันตามหลักสักการสมมติยม แต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้ๆแล้วท่านก็จะไ้ว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่า น, นี้ก็เป็นสภาวธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภาพสาวธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ต่งตงางๆเท่านั้นเมื่อหมดสิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุกะลาที่ฐานเทียบกับธรรมทิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนัก แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เลยมีความสะดุดใจในเรื่องค่าสุดว่าเป็นค่าสุดจริงๆสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆริงมีความหนักแน่นให้มีความดุดดื่มเมื่อความหนักแน่นความดืดดุมดดื่มความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีแล้วมันทําได้หมดนั่นแหละคุณเราการประพฤติปฏิบัติธรรม พระพุทเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหัวใจเต็มตัวอยู่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อความน้อมสยัยได้ฟังเหตุตังผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกําลังเพื่อแหวกว่ายตะเกียบตะกาตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาคุณได้แก่ตัหานางขยมมัชากา คือความจิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวล น, นับแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตัณหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กําลังใจเป็นสำคัญลงกําลังใจได้เข้าจุดไหนแล้วเป็นแหลกแตกกระจายไม่มีเหลือไม่มีกําลังใดที่จะมากยิ่งมีอมนาจมากยิ่งกว่ากําลังใจ ขอให้เกิดได้เกิดความเชื่อความถึงใจเถอะการทำก็ถึงใจความมุ่งมั่นก็ฝังใจความเพียรเป็นมาเองการที่จะพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อขึ้นในเบื้องตน้นพอได้เห็นผลอันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าประพุทธเจา้า ไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียบตะกายนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันจึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมหล่นอนยาปล่อยให้กิเลสหรืออยาปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาธรรมทั้งหลายไปกินเสีย เหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้นทุกท่านที่มาอบรมศึกษายองนิมตอบรมศึกษาให้ถึงใจยาศักด์แต่ว่ามาเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่ใจ ให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อเลือกเฟ้นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกาจัดตัดเปล่าออกไปอย่าได้อยู่ด้วยความประมาท น, นใจสิ่งเหล่านี้เราเคยอยู่แล้วและเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากม่า <c oughs> ต่อมากแล้วถ้าเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจาก กองทุกมหันตะทุกทั้งหลายนี่ได้ตลอดไปไมรทมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้จึงต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นทัํมขัดหลักใหญ่ก็คือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทาหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียด แหลมคมเข้าไปเป็นลําดับจิเลตมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผิดขึ้นที่หัวใจความเพียรหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความทางทลายแห่งจิเลตทั้งหลายปไาได้ไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลยธรรมนี้เป็นธรรม ส, สดร้อนเหมาะสมกับการปราบจิเลตอยู่ตลอดเวลาขอให้นําเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ผิดขึ้นให้ มีกำลังข้าอย่าได้นอนอกนอนใจเราต้องถือเอาชาติปัจจุบันของเรานีเป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงชาติความเกิดชร า, าความแก่พยาธิความตายทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิติ ดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในตัวเองนี่เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆลุ่มๆดอนๆ ส, นสูงๆต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสพาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปลุ่มๆคำๆเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั้นสถานที่นี้เกิดหรือไม่เกิดเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเ ค, เคยตายหรือไม่เคยตาย ชาตหน้ามีไม่มีหรือไม่มียาไปหลงกลมายาของกิเลสที่มันวาดภาพออกหลอกตัวของเราแต่ตัวของมันเองเหยียบย่ําทําลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้นั่นเหยียบย่ําทําลายไปทุกภพทุกชาติก็คือกิเลสที่เองพาให้เกิดพาให้ตายจะเป็นผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิดเราตายเลยมาทําไมเราจะหลงกลมายาของกิเลสปะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตา ย, า ย, ายแล้ว ชาติหน้ามีหรือไม่มีทําไมจะหลงคนของมันอีกทำประกาศกังวานอยู่ทุกระยะเวลาแต่เพราะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ประกาศมาได้ 2,500 ปีดูกข้าชาติปุนับปูนังส ก, กี้นี้ได้ยกพุทธภาสิตที่พระพุทธเจ้าประทานเสียเองหรือทรงอุทานเอง เป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาใจเองเรายังจะเห็นกิเลสทั้งหลายวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหลอเรายังไปเชื่อมันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วศูนหรือไม่ศูนหรือจะได้เกิดอีกแบกบทุกข์มาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหลยทำประกาศกลางวานอยู่ตลอดมาตั้งแต่ วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ดุข้าดุขาชาติปุนบปูนังนั่นตะกี้นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกชาติสังสาลังในช่างเรือนคือตัณหาได้แกะอะไรถ้าไม่ะได้ไม่ได้ไม่ได้แกะพวกอวิชชาตัณหาอุปทานนี้จะได้อะไรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหนทำไมพบชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญ ภพชาติเจะเอาศูนย์มาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดเพรผิดชาติขึ้นแท้ๆให้เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวภพตัวชาติหรือตัวอะไรหเห็นอยู่เวลานี้ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาที่สามสาลางางังจนกรทั่งถึงยุคสังฆารากตังกิตตังตันห้านางขยมัชาชกา แน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบใครถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเ จ, จริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบวิเลศตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดยินาทุกหรือไม่ทุกข์หนานั่นหรืก็มันอยู่บนหัวใจเรานิเลศตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลากเราไปเกิดที่นั่นลากเราไปเกิดที่นี่แล้วยังสงสัยอะไรอีก ขนก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี่เวลานี้ยความทุกข์ควาน้ำหมัมกแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่ากิเลสพาให้เราเป็นทุกข์งั้นเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เลยอ๋อดูขั้งชาติปุณณะดูข้าชาติปุนณะปณุนะนั่นสารธรรมที่สําคัญมากก็คืออเนกชัยสร้างสารังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเสเ็จเนี่ย แล้วงเยอะตัณหาก็กิเลสประเภทต่างๆก็ประกาศอยู่แล้วอย่างที่กล่าวมาตะกีน้นี้กรหักาละกะดิษฐ์โทสินะดูก่อนนาช่างเรือนคือตัณหาเนี่ยท่านผู้อันเราได้เห็นหน้าเธอเป็นผู้อันเราได้เห็นหน้าแล้วเวลานี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วตัวที่พาให้เกิดให้ตายลากเราไปในพบนั่นพบนี่พบน้อยพบใหญ่ ให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานทุกมหันต์ทุ ก, ทกเพราะเธอนี่เราได้เห็นหน้าแล้วตัวสาคัญน่ะแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นเห็นตั้งแต่ความทุกข์รู้แต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมาไม่เห็นตัวสําคัญที่เอาลูกศรทิ่มแทงเรามา น, นี่เราเห็นแล้วทั้งลูกศรด้วยทั้งผู้ที่ทิ่ม สอนมาด้วยเราเห็นแล้วชัดๆว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านาการศึกปูนาเกยห้างนาการศึต่อไปนี้เจ้าจะไม่สร้างบ้านสร้างเรือนคือพบคือชาติให้เราได้อีกแล้วนั่นท่านประกาศขนาดนั้น จะสร้างได้เฉพาะที่เป็นมาแล้วเท่านั้นบัดนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วพร้อมตั้งค่าให้แหละไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้ามันไม่มาสร้างบ้านสร้างเรือนคือตัวพบตัวชาติให้เราได้อีกต่อไปแล้วนะอะไรๆถูกทําลายหมดอยงที่กล่าวไปแล้วนะเราทําลายหมดแล้วเรือนยอดประมาทึ่งอวิชชาเราขาจัดแล้วนะ่ะถึงแล้วจิตเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารน่ หมายเพียงว่าเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายแล้วอย่ามาปรุงได้อีกเลยอย่าเข้าใจว่าจะมาปรุงได้อีกเลยนะยิเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในแก่ตั่นห้าน่ะความอยากแม่ละเอียดสุดอันเป็นเรื่องของกิเลสขาดจะบ้านไปหมดแล้วนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธอุทานนี้เชื่อใครกิเลสมันอุทานที่ตรงไหน ว่าได้รับความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจนาสิทำไมจึงเชื่อเอาหนกหนาเชื่อเอาแบบไม่ดืมหูดืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ดืมหูดืมตาตลอดไปเหรอพุทธังธรรมสังสนงักระฉามนีประกาศกลางวานอยูท่ทำไมไม่น้อมทิสะลงไปลองฝ่าพระบาทท่าน กิจะกําจัดปัดไทยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไปนี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงสี่มีที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกๆุกายทุกๆององตลอดจัดโยกโยกตัวไปมีกิเลสตัวนี้น่ะตัวสำคัญมากตัว โกหกมายาแสนคนดูตรงนี้หมดละเอียดแขมขมมากจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจิจารณาจนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่รพระพุทธเจ้าทรงเยอะหย่านมันทรงพูดเยอะทรงพูดถาพูดถางมันได้เห็นหน้าเธอแล้วมิหนำทําังทําลายอีกแหลกไปเลยเห็นที่ไหนหน้ากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจ ทำลายที่ใจแล้วความสิ้นพบสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจเส้นก็คือสิ้นทุกข์นั่นแหละสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสพนันธใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นเชื่อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกปัญหานังธมรมชาถึงแล้วสุดแดนอย่างนี้ผ่านอืมแต่เอาความเราอย่างนั้น แล้วทำเหล่านี้มีอยู่แต่ข้างพุทธาการนั่นหรือกิเลสประเภทที่มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่บุรุษเจ้าเห็นหน้ามันเท่านั้นหรือมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ข้าง้งบุรุษเจ้าเหรอครั้งเรานี้กิเลสไม่มีหน้าเลยกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้ให้เราเหลอเราถึงไม่เห็นโทษของมัดธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์วิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุรุเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นทำเมาไปหมดแ ล, ล้วเหรืออย่างที่หลวงปู่แก่นพันว่า เอามาใช้สิเนี่ยเราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสูก้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนีม่เป็นสําคัญหมุนต่อลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำดีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียร น, นี้ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทําแท้ไม่ได้ให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย ความทุกข์ที่แก้กิเลสก็คือว่าทุกข์เพราะการแก้กิเลสทั้งหากไมันจะทุกข์เพราะทํ า, าำเราธรรมะจึงปฏิตําหนิติเตียนว่าการบําเพ็ญธรรมเป็นทุกข์กิเลสสร้างทุกข์ให้เราจนมองหาตัวไม่เจอแล้วแก้กิเลสออกมันเป็นการแก้ยากขนาดไหนทุกข์ยากขนาดไหนจึงไม่ไม่คิดตอ้ตองตรงนี้บ้างว่ากิเลสนี้ทั้งแก้มันก็ยากอืมทุกข์มันก็ทุกข์แก้ก็ได้รับความทุกข์ความลําบากเพราะมันเนี่ย ไม่ได้ ท, ไทําไมจึงไปตําหนิว่าการบําเพญ็ญธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นของยากกิเลสตายยากทําไมว่าไม่ว่ากันปัญญาย้อนเข้าไปสิถ้าอยากจะทันกิเลสนี่ก็กิเลสมันหลอกเราว่าการบําเพ็ญธรรมยากการทําสมาธิพัฒนายากเดินยังลมยากการแก่กิเลสมันยากก็กิเลสตาให้ยากทั้งนั้นนี่ทมํมาเนี่ยพาให้ยากคิดให้มันถึงการทีก่กับกิเลสไม่งั้นจะทําลายกิเลสได้ยังไงปัญญาไม่ทันกัน เราทำไมจึงเอาโทษไปโยนใส่อาจใจธรรมซึ่งเป็นของวิเศษเลิ่โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําไมไม่โยนโทษอันเป็นหลักความจริงให้ใจกิเลสตัวความตัวตั ว, ตวจริงน้วนๆในเรื่องก่อทุกข์ให้สัตว์โลกบ้างหรือทําไมไม่โยนทุกข์ให้กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอันสําคัญว่ามันเป็นตัวสําคัญทําไมจึงโยนให้ทุกข์ให้ไปหาธรรมนั้น มันถูกตั้งที่ไหนกิเลสพยากยน์เน่ยแต่ธรรพายากย้อนลงไปหากิเลสเห็นสิย้อนก็หากิเลสเห็นสิการทุกยากลาบากอยู่ทุกวันนี้เพราะการประกอบความภากเพยนก็คือเพื่อแก้กิเลสนั่นเองไม่ใช่เพื่อแก้ธรรมนี่นะธรรมถ้าไม่ได้เป็นนักโทษเนี่ยคิดเราเป็นนักโทษเพราะกิเลสบีบบังคับตั้งหกัก ทำแม่นามาบิดบังครับไม่ว่าทำประเภทใดไม่เคยบิดบังคับหวัวใจของโลกทมจึงเป็นสิ่งบุคคลมาแต่ไหนแต่ไรทำจึงเป็นค้ำเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมาแต่ไหนให้ความถูกความเจริญจากโลกมาแต่ปลายไหนไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสต่างหากเป็นผู้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ความเป็นฟืนเป็นไฟทรมานจิตใจของสัตว์โลกด้วยมาไม่พบน้อยพบใหญ่มีแต่กิเลสทาให้เป็นดังนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเรา การแก้ายากแก้ง่าขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อทูกกิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวลไม่ใช่เรื่องของทำพาให้เราทรกุกข์นี่พิจารณาเลถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ทำนี่พอจะแก้กิเลสแล้ว โยนความทุกข์พระธรรมตั้มหนิติโทษธทำเสียให้กิเลสได้ใจให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็กล้าเข้าสู่ความเพียงไม่ได้คอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่วาไม่เคยเห็นความทุกข์ความลําบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุ น, นี่เลยเลยกลายเป็นว่าทําเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลําบากไวก้เสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลงมามาเท่าไหร่แม้แต่เข้าสู่สงครามเข้า สู่ทางจงกรมนั่งสงามาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสต่อมได้นี่ยให้ไปตำหนติตีเตียนทำนู่นไม่ให้ตำหนติติเตียนกิเลสเลยแล้วกิเลสจะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลสใจหัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทำท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกเนี่ยยังนั้นถึงถูกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอัดโดยทำ ถ, ถูกต้องตามความเป็นจริง เอาให้เหลียดมันหมดไปใชไหมหัวใจเป็นยังไงใจดวงนี้น่ะตั้งแต่ก่อนเคยถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความสว่างสังสางอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมันเอาให้มันเห็นโทษของมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองเป็นพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมกาลก็ทู ให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นเถอะทำนี้เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดำเห็นแดงกัน้เข้าสู่ความจริงด้วนๆยิ่งเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆทำก็อยู่ในหัวใจเราแต่แท้สอนอยู่ที่ใจกังวาลอยู่ที่ใจนั่นมาแก้กันดิกราบกันเถอะจะเป็นอะไรไปนักปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสียดายยิ่เด็ดทั้งหมดนั่น เรายังจะกล้าเสียดายยังยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือเรามาปฏิบัติทำเอามันจริงเป็นจังเลยเงิเนถึงขนาดที่ว่ากิเลสบรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่นะมีขอบมีเฉดสิ่งไม่เคยรู้รู้ไปหมดเห็นได้หมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากถ้าจะนํามาพูดนะว่า อ๋อเท่าที่กิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งโมวลครอบหัวไว้นี่ถึงรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นอ๋อมีกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อันนี้ไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกทาตุีปิดความรู้นี้ม่แสดงตัวเต็มที่เต็มภูมิเต็มฐาน มีกิเลเท่านั้นมันก็รู้ชัดๆดเลยเพราะมันไม่มีอะไรเวลามันีิเลสมันหมดไปจากใจจริ ง, รงมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่ข้องที่ติดที่ตัดไม่มหนั่ น, นจริงจังปฏิบัติ ม, มาศึกษาอบรมก็ฟังให้ถึงใจแล้ปฏิบัติยิ่งใา้จังจีง่ธรรม ะ, ะสดๆร้อนๆ อ, อ, อยู่กลางวานอยู่ในวใจเราทุกคน ทุกคังเรียสจังประกาศห้เห็นที่คดอยู่นี่มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรานี่ทุกขณะนี้สมุทัยอรียสจังกิเลตมันมีที่หลักที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทํางานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลานทําไมมัดจะฆ่ากิเลตมีแต่สเสือแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกก็ มีแต่เรื่องดังครอกคลอดดับทุกข์นั่นหรือว่าพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสือ่อบนหนอนที่มาติดตัวแล้วหลับไม่ตื่นดังคลอดครอกนั่นหรือนี่โรดความดับทุกข์นั่นมันคือนิโรธของคนตายเน่ยถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายตอนนั้นแหะมันดังครอกคลอดนี่เอาละพูดสนุกเหนื่อยพูดไะวุ่นมา